ทีนี้ต่อไปว่าเีนเนี่ยนะครับหน้าที่หน้าที่หรือกิจของเขาเนี่ยนะครับกําจัดโทษทางกายและทางวาจานะครับถึงพร้อมด้วยความไม่มีโทษนะครับอันนี้กิจของเขา네สมบัติของเขาก็คือไม่มีโทษนะครับถึงพร้อมด้วยความไม่มีโทษเซนนะครับกิจหน้าที่ของศีนคือกําจัดโทษทางกายและทางวาจา แล้วก็ศีลเนี่ยนะครับมีความสะอาดทางกายวาจาและใจเป็นอาการปรากฏอันคนมีศีลก็จะมีความสะอาดนะครับสะอาดทางกายวาจาและใจส่วนเหตุใกล้ของศีลก็ได้แก่หิริและโอตตะปะนะครับผู้ที่มีหิริโอตตะปะมากคนนั้นก็จะมีศีลได้มากรักษาศีลได้ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าศีลเหล่านี้ถ้ามาแบ่งเป็นประเภทแล้วก็ประเภทที่น่าสนใจอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือจารีศีลกับ วารีศีล น, นะครับทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องเอามาไข่ครวนบ่อยๆนะครับในสิ่งสิ่งเดียวกันเนี่ยบางอย่างเป็นจารีตบางอย่างเป็นวารีตนะครับส่วนนีข้ข้อห้ามนะส่วนนี้ข้อต้องประพฤตินะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะครับผมลืมแล้ว ว, วารีศีลกับจารีศีลเนี่ยออนนจารีศ ค, คือเข้าไปประพฤติจารีศเนี่ยประพฤตินะครับวารีศเว้นเว้นครับผม อย่างเช่นเนี่ยนะครับทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะข้าวของเครื่องใช้ห้ามขโมยใช่ไหมครับอันนั้นเป็นวารีตแต่ถ้าหากว่าเห็นของมีค่าในวัดต้องเก็บไว้ให้เจ้าของอันนี้เป็นจารีตที่ต้องประพฤตินะครับพวกวัดสิบสี่นะครับอุปชัยวัดอาจาริยวัดอันเทวาเสกกวัดสัิวิหาริกวัดนะครับคมิกวัดอาคันตุกวัดเสนาสนวัดชันตาคารวัดนะครับ ปินตะนะเฟชจักุตีวัดนะครับวัดในเรือนไฟเป็นตน้นพวกนี้ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องประพฤติบินธบาบินทบาส น, นี่เป็นธุดงครับเ <c oughs> อาวัดเกี่ยวกับเรื่องการบินทบาสเรื่องอ่ะเช่นยืนเดินเวลาเดินบินทบาสจะต้องวางตัวยังไงเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นวัดแต่ว่าถ้าประพฤติว่าต้องบินธบาตเป็นวัดอันนั้นนะนะอันนั้นก็คือลักษณะของทุดง แต่ถ้าหากว่าวัดไม่เป็นวัดแต่ถ้าบินทบาทนะต้องประพฤติแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้ก็เป็นวัดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเช่นวัดในการนุ่งหม่มหรือเสขียวัตรทั้งหมดเลยนะครับเสกียวัตรตั้งแต่เรื่องสมณสารูป26สนะครับสมณสารูปเช่นการยืนการเดินเนี่ยนะครับการนุ่งการหม่มทั้งหลายแล้วเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโภชนะปฏิสังยุตอีก30เกี่ยวกับเรื่องการขบการฉันทั้งหลายแล้วเนี่ยนะ แล้วก็ทำธรมธรมเทศนาปฏิสังกต16นะครับเกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมแล้วก็ปกินลกะอีกสามนะครับหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องการถมน้ําลายการอุจระปัสสาวะหรือว่าอุจระปัสสาวะบนของสดเขียวเป็นต้นเนี่ยนะครับนั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นวัดที่จะต้องประพฤติอ่าถ้าหากว่าวัดเหล่านี้เราไม่สามารถประพฤติให้บริบูรณ์นะครับเราเองก็ยังกินแหนงแคลงใจตัวเองอ่าเมื่อกินแหนงแคลงใจตัวเองก็ยากที่จะเจริญในในธรรมนะครับ เพราะว่ามันมันศีลเนี่ยนะครับถ้ารักษาได้ดีก็ไม่มีโทษให้ตําหนิเลยนะครับไม่มีโทษอะไรที่ที่น่าตําหนิเลยนะตนเองก็ติเตียนตนไม่ได้ผู้อื่นใคร่ครวญดูแล้วก็ตําหนิตัวตําหนิไม่ได้นะครับแล้วพระผู้มีพระภาคสอนให้พิจารณาคุณธรรมอันนี้เนืองๆด้วยนะในอภินหาปัจจเวกคณะธรรมสูตรนะครับมี10ข้ออันข้อที่4ี่กับข้อที่5ก็คือพิจารณาเรื่องศีลนี่แหละครับต้องมันตรวจสอบ ถ้าทำได้เท่าไหร่ก็กุศลเจริญได้เท่านั้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นกิจของเราเลยนะครับเขาเรียกว่ากิจของตนเลยนะหน้าที่ของเราหรือภาร ก, กิจของเราจริงๆก็คือกุศลศีลนี่แหละครับอืขอทบทวนสูตรเมื่อเช้านะเมื่อเช้ามีอย่างอื่นระหว่างขั้นเลยไปกันยาวเลยนะครับก็ทบทวนในปุคละสูตรนะครับที่ว่าจิตคุณมัวพาไปสู่ทุคติเนี่ยนะครับ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 ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาขุนมัวดูกวาพพ่สูจนทั้งหลายก็เพราะเหตุแห่งจิตขุนมัวแลสัตว์บางพวกในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตและก็นรกนะครับเพราะฉะนั้นจิตใกล้ตายนี้นะับว่าสำคัญมากนะครับอย่าไปปล่อยให้กิเลสคือโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเลยนะครับเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มันฝึก ตั้งแต่ใกล้ตายนี่นะครับระวังให้เรียนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรึกเรื่องศีลมากๆก็จะดีก็จะมีคุณอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าฝึกแนละ้วเห็นเห็นอารมณ์อะไรมั่งที่ที่ไม่เป็นไปกับศีลเห็นดอกไม้เห็นอะไรก็ช่างนะครับเห็นฟ้าเห็นลูกเห็นหลานเห็นเพื่อนอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเป็นคนที่ตรึกเรื่องศีลบ่อๆนะก็เห็นปุ๊บก็อัะนนะัล้ลึกถึงศีลเนีน่นั้นก็สุขคติก็หวังได้แล้วนะครับ เาลองยกตัวอย่างนะอย่างพันเตปามโอดเจอจันสมชายอย่างเงี้ยเออถ้าจะผิดศีลนะี่ยผิดข้อไหนได้บ้างเอาข้อผิดก่อนเออเมื่อเกี่ยวข้องกันแล้วนะเป็นประราชิกอะไรได้บ้างข้อหนึ่งได้ไหมประราชิกข้อสองทำไมจะไม่ได้ครับทวารตากกับทวารหนักอ๋อหมายคือว่าถ้าเป็นได้ถ้าจะเป็นนะครับไม่ไม่พูดว่าจะไปทําแต่ให้รู้ว่าถ้าเป็นเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างนะครับล่วงละเมิดศีขาบทไหนได้บ้างนะครับ เพราะว่าปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยมีทวารแห่งปาราชิก3ทวารหนักทวารเบาแล้วก็ปากผู้ชายก็ทวารสองนะครับคือทวารปากกับทวารหนักนะครับสองทวารนัน้นก็เป็นวัตถุแห่งปาราชิกนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเออนี้วัตถุปาราชิกนะแล้วตั้งใจมั่นว่าจาักไม่ล่วงละเมิดอันนั้นเป็นศีลนะครับเห็นไหมอันะต้องรู้จักก่อนว่าอะไรเป็นศีลแล้วตั้งใจสมาทานนะจิตที่มั่นสมาทานนะอันนั้นเป็น เป็นศีล น, นะครับทีนี้ต่อไปถ้าศึกษาบทที่2ข้าวของเครื่องใช้ของของท่านเออนี่นะมีทายจิตเนี่ยนะถ้าถ้ามีมูลค่าถึง5้ามาศนี้เป็นวัตถุแห่งประราชิกนะถ้าต่ำกว่า5้ามาศกก็เป็นทุลใจนะครับถ้าเกิน1มาศต่ำกว่า5้ามาศเป็นวัตถุแห่งทุลใจถ้าต่ำกว่า1มาสกเป็นวัตถุแห่งทุกกฎเนี่ย เ, ออเกี่ยวข้องกับประราชิกข้อ2ข้อ3นะครับ เนี่ยนะถ้ามีจิตเนี่ยนะฆ่าหรือว่าพรนานาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่ออันตายเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เป็นวัตถุแห่งประราชิกข้อที่3ใช่ไหมครับหรือไปกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมต่อบุคคลนี้นี่นะครับกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่ไม่มีอยู่จริงก็เป็นวัตถุแห่งประราชิกอีกเป็นกันเพราะนนั้คนเดียวเนี่ยปรราชิกได้ทั้ง4เลยนะนะครับ ทีนี้สังขารทิเศธเป็นได้ไหมนะก็ดูนะครับสังขาธิเศธอาจจะาบางข้อก็ได้ตรงๆเช่นกล่าวกําจัดนะครับโจดปราชิกขามูลไม่ได้นะครับก็เป็นสังขาธิเศธใช่ไหมครับหาเอกเทศบางแห่งหาเลสนะมาโจดก็เป็นสังขารทิเศสนะครับโจดว่าเป็นปราชิกนะครับมีใชสิขาบทสองสิขาบทนะภิกษุที่กําจัดคุณของภิกษุอื่นด้วยบัติมีโทษถึงปราชิกเนี่ยเป็นสังขารทิเศษ หรือว่าหาเลดบางแห่งแห่งอธิกรให้เป็นเลดแล้วกั็กล่าวกําจัดเนี่ยนะครับก็เป็นสังขาธิเศษที่พระท่าพระมรบนะครับที่โดนพระชาพคีเล่นงานอ่ะนะรหรือว่าเออถ้าหากว่าไปชักสื่อเนี่ยนะครับให้ไปกับผู้หญิงคในใดคนหนึ่งก็เป็นวัตถุแห่งสังขาธิเศษอีกเหมือนกันนะครับหรือเป็นสังขารทิเศษเกี่ยวกับเรื่องเออนี่นะหาพักพวกเพื่ออะไรสังกเภศเป็นต้นเนี่ยนะครับ มันก็จะได้บางอย่างก็ได้โดยอ้อมๆบางอย่างก็ได้โดยตรงๆทีนี้ท่านนัสสคีล่ะก็ามาถายดูนะครับนิสคีอ้าวจีวนาวคอย่างเงี้ยปัตตะวคอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโกศิวค์เนี่ยมันจะเข้าอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าปาจิตีเนี่ยนะโดยเฉพาะตรงๆเลยก็คือประเภทผูดกระทบ นั่นแหละพูดกระทบด้วยกระทบผิวพรรณหน้าตาศิลปะวิทยาฐานะความรู้เป็นต้นเนี่ยนะครับชาติตระกูลด้วยโทสะก็เป็นอมัสวาดเป็นปาจิตีถ้าประสงค์จะล้อเล่นค้าเล่นเล่นไปก็เป็นวัตถุแห่งทุพภาสิตเป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้เอ่อมันมีวัดถ้าหากว่าอย่างอื่นนี่นะครับมีวัดปฏิบัติอย่างอื่นที่จะต้องประพฤติด้วยกันไหมถ้าอยู่ปริวาสเนี่นนต้องประพฤติกับองค์อีกองหนึ่งยังไงเป็นต้นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็เป็นจารีตศีล น, นะครับ นในปาติโมกส่วนใหญ่เป็นวารีตนะครับแต่ว่าในคันธากะวัตทั้งหลายเนี่ยโดยมากเป็นจารีตที่จะต้องประพฤตินี่เราก็เกี่ยวข้องกับใครหนึ่งคนแล้วก็เอาศีนเนี่ยมาตึกมาตรึกสงเคราะห์แบบนี้บ่อยๆบ่อยๆนะครับนะแล้วเกี่ยวข้องกับวัตถุเข้าของเครื่องใช้ทุกชนิดก็แบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกุศลศีนก็จะมั่นคงมากขึ้นก็จะจํามั่นขึ้นหรือถ้าหากว่ากลางคืนเนี่ยเอ๊ะถ้าจะเป็นอบัตเพราะอะไรได้บ้าง กลางวันถ้าจะเป็นอบัติเป็นอบัต อ, อะไรได้บ้างนะครับข้างแรมจะเป็นอบัติอบัตอะไรได้บ้างข้างขึ้นหรือวันนี้วันพระ ห, หรือไม่ใช่วันพระเนี่ยนะครับมันจะมีอบัตอะไรอยู่ในนั้นบ้างเป็นต้นถ้ามันมา ต, ตรึกแบบนี้นะครับโอ้ซับทั้งนั้นเลยนะครับซับคือศีลแล้วคนที่จะรักษาได้ก็แสดงว่ามีซับคือหิริและโอตปะนะครับแตะคนที่จะมีซับคือหิริและโอตปะคนนี้แสดงว่าสุตะเนียมมากซับคือสุตตะก็มากนะครับทียย่จะปฏิบัติตามได้ดีก็แสดงว่ามี จ่าคะจ่าคะนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฐานแห่งสติปัญญานะครับแล้วก็ถ้ามีกรรมสกตาเป็นปัญญาก็เบื้องสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเบื้องต้นแห่งมัคคุปปมจันทร์นะครับเป็นเบื้องต้นแห่งวิปัสนาเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคทั้งหลายนะครับแต่ถ้าหากว่าประพฤติในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตัวเองก็ตําหนิตัวเองด้วยนะครับผู้รู้ใข้ควรแล้วก็ตําหนิด้วยอานพไตรมิตกเจอที่ไหนโมฆะบุรุษนี่ว่าเราหรือเปล่านะครับ มันก็จะคนมีแผลระแวงไปเรื่อยนะครับกุศลก็ไม่ค่อยเจริญนะครับแล้วก็ในเมื่อกุศลธรรมเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดตามระลึกถึงศีลเหล่านี้ไม่ได้กามวิตกก็เกิดแทนเมื่อกามวิตกเกิดพยาบาทวิตกเกิดวิหิงสาวิตกเกิดก็จะเข้าในลักษณะกระตูวิยสูตรนะครับในพระไตรปิฎกใช้บ่อยก็คือไอ้ท่อนฟืนเผาผีนะครับ หัวท้ายถูกไฟไหม้ตรงกลางเปื้อนอุจระนะครับใช้เป็นประโยชน์ในบ้านก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องเรือนก็ไม่ได้ภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วนะครับประโยชน์แบบโลกโลกก็หมดก่อนละนะครับทำมาหากินนี่ก็ไม่ทันชาวบ้านชาวเมืองเขาแล้วว่างั้นเถอะโยมเขาจะชอบพูดกันบ่อยๆนะครับเออถ้าบวชก็อย่าบวชนานนะถ้าบวชนานก็ต้องไม่ศึกเขาบอกงั้นทําไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าบวชถ้า ถ้าบวชนานศึกมาก็หากินไม่ทันเขานะครับทีนี้ถ้าหากว่าบวชไม่นานก็เอพอจะได้ประโยชน์ทางโลกเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะพูดในลักษณะ น, นี้นี้ก็เหมือนกันนะครับประโยชน์ทางโลกก็หมดแล้วประโยชน์ทางธรรมก็ไม่ได้เพราะการมสวิตกไม่ใช่ศีลการมสวิตกไม่ใช่สมถะไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่มรรคผลพยาบาทวิตกไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมถะและวิปัสสนา วิหิงสาวิตกไม่ใช่ศีลสมถาวิปัสนาไม่ใช่กุศลอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นประโยชน์ทางโลกก็ไม่ได้ประโยชน์ทางธรรมก็ไม่ได้นะครับจนบางคนเขาใช้จำนวนคำขำมาพูด่นะโลกิยะก็อดโลกุตระก็ไม่ได้นะครับอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าพระ อ, องค์อุปมาเปรียบเทียบเหมือนท่อนฟืนเผาผีนะครับ นั้นก็ควรที่จะไข้ครควญส้ำเนียกสายใจบ่อยๆแต่ถ้าหากว่าประพฤติได้นะครับตามระลึกถึงกุศลศีลเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดปีติและปราโมทนะครับเพราะฉะนั้นปีติปราโมทก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะรครับเกิดปสัสสติปสัสสติก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสุขสุขก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอขอสุขปีติปราโมทเนี่เรียกโคไปแล้วนะครับถ้าหากว่ามีความสุขนะครับ ศีลดีเนี่ยนะเจริญพุทธคุณก็รับง่ายโอ้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหัน์เนาะพระผู้มีพระภาคเป็นผู้สแสวงหาประโยชน์ความสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายเนาะนึกถึงคุณก็ง่ายนะครับถ้าหากว่าศีนเราไม่ค่อยดีนึกพระพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติเรื่องศีนเนี่ยนะไอชักไม่ค่อยมุ่นแล้วนะครับ ไม่สนุกเลยแต่ถ้าหากว่าประพฤติตามได้โอ้พระพุทธเจ้า น, นี่อาศัยพระมหากรุณาธิคุณนะพระองค์จึงทรงแสดงศีลเนี่ยนะครับเห็นพระองค์ไม่เห็นแก่เหนื่อยแก่ทุกข์แก่ยากแก่ลาบากอะไรเลยนะครับบางอย่างเป็นสิ่งที่น่าเกลียดพระองค์ไม่ควรจะตรัสพระองค์ก็ยังมักต้องมาตรัสนี่นะเพราะอาศัยพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์ทั้งหลายนะครับศึกษาพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะครับโอ้พระองค์นี้ เป็นพระอรหันต์นะไม่มีอคติเลยในการบัญญัติศีลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่พวกเราทั้งหลายนี้แหละเจริญไปปีติปราโมทย์ก็จะเกิดง่ายทีนี้ขณะที่จิตเป็นไปกับปีติปราโมทย์จิตเป็นไปกับสมาธิอย่างนี้แล้วที่จะพิจารณาความจริงก็ไม่ยากเพราะนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมคนที่ไม่ถูกนิวรณ์กลุ่มรุมก็จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ตนก่อน นะประโยชน์ตนมีอะไรบ้างประโยชน์ของคนอื่นมีอะไรบ้างประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี้มีอะไรบ้างนะครับทีนี้ อ, อ, นอนิวรเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่กลุ่มรวมก็สามารถพิจารณาเห็นอัดเห็นธรรมเห็นเหตุเห็นผลเห็นกรรมมักตาเห็นปฏิจจสมุป บ, บาทเห็นขันเห็นธาตุเห็นอายตนะนะครับน้อมไปพิจารณาอะไรก็ ไม่ยากนะครับฟังธรรมก็ได้ปีติได้ประโมททรงจําพิจารณาค่ายควรเป็นต้นก็คล่องแคล่วไปหมดแหละแต่ท่านนิวรกลุ่มรุมก็โอ้ชีวิตเนาะเจริญกรุณาให้ตัวเองได้นะครับรู้จักใครก็บอกบอกเขาให้กวดน้ําให้มั่งเน้อนะครับเพราะว่าน่าจะไปไม่ดีแล้วนะครับไอ้ไปไม่ดีไม่ใช่ใครที่ไหนพาไปหรอกครับใครครับจิตจิตนี่แหละจิตเศร้ามองก่อนตายนี่ก็ไปไม่ดีแน่นอนแต่ว่า จะต้องไปฝึกเวลาตายเลยครับขนาดเป็นเป็นรู้ภาษายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับถ้าไปใกล้ตายจะไปแนะนําเขายัางไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แต่ถ้าหากว่าประพฤติดีปฏิบัติชอบตามนี้จริงๆเชื่อไหมครับว่าไปอา่านอากรรมเขยสูตร์นะจะจะมีความสุขนะครับอากรรมเขยสูตรมัชชิมนิกายมูลปัณานะครับกล่าวถึงว่าถ้าหากว่าเป็นผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะครับจะหวังอะไรก็จะสําเร็จนะครับ จริงๆแล้วเป็นอย่างที่ท่านพระอาจารย์ธมบัตรบอกนะคือคนที่ไม่ได้เคยฝึกฝนไม่เคยศึกษาเนี่ยเวลาใครจะตายจริงๆไม่รู้จริงรผมเมื่อผมอันนี้ประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเองผมไปสอนให้พี่ตะไพแ์่เป็นโรคมะเร็งเต้านมเกีจะตายผมก็ไปแต่แล้วผมก็้ยบอกให้เขาเจริญวิปัสสนาเนี่ยตาม ที่ได้ศึกษามาว่าเนี่ยทําไมโยมเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเขาบอกว่าเขามองหน้าผมไม่เห็นอืมเขาบอกเขาบอกว่าโยมรู้ไหมว่าทําไมถึงมองไม่เห็นเขาเพราะว่าตาไม่ใช่ของโยมอะไรคุณก็พูดไปทางเนี้ยครับอ่าเพราะว่าตาไม่ใช่ของโยมทําไมโยมถึงป่วยรู้ไหมเขาเพราะว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของโยมจริงพูดไปพูดมาก็าบอกว่าให้โยมมาลึกรู้เขาก็ถามกันมาแล้วลึกยังไงล่ะอืผมก็ ผมก็เลยบอกต่อไปไม่ได้ผมก็เลยถามว่าเอาเคยเจริญเ อ, เ, อเคยดูดลมหายใจไหมก็ให้ให้เขาไปเปลี่ยนไปดมหายใจแทนครับให้เขาดูดลมหายใจดมหายใจนี่มันเข้ามันออกนะทําจิตให้สงบอยู่กับลมหายใจไม่ต้องไปสนใจเรื่องร่างกายนี่เลยก็บอกเขาไปไงั้นแล้วก็ดูดลมหายใจไปว่าลักษณะที่ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงคือมันเข้ามันออกอะไรเงี้ยให้ก็ดูไปอย่างนี้เลยพอพูดอย่างอื่นนะเขาไม่รู้เรื่องแล้ว ก็เท่าที่ผมศึกษานะในข้อความหลายๆแห่งผู้ที่จะไปแนะนําเรื่องนี้โดยมากจะแนะนําเรื่องพุทธคุณกับเรื่องศีล น, นะครับนะถ้าหากว่าของเก่าเขาไม่มีเลยนะแต่เว้นไว้เหมือนอนาถาบินที่กเศรษฐีนี่นะภาษาริบุตรไปแนะนําเรื่องวิปัสนาเลยถ้าชั้นสูงเลยนะครับถ้ารู้ว่าพื้นฐานเขามีแล้วแต่ถ้าโดยปกติทั่วๆไปก็จะสอนให้เห็นคุณของพระรัตนะไตรนะครับให้เขา พิจารณาถึงคุณของพระรัตนตรัยนะครับว่าพระพุทธเจ้ามีคุณยังไงพระธรรมมีคุณยังไงพระสงฆ์มีคุณยังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ธรรมะเป็นที่พ้นทุกเหล่านี้ทั้งปวงนะพระธรรมคาสอนไม่มีทุกเหล่านี้หรอกนิพพานเนี่ยสงบจากทุกเหล่านี้ทั้งหมดพระสงฆ์ก็ปฏิบัติเพื่อข้ามพ้นจากวัตทุกเหล่านี้แล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยนะถึงพระรัตนตรายเป็นที่พึ่งแบบนั้นนะแล้วก็ทีนี้ พระัตนะตรายแนะนําให้เราตั้งใจสมาทานศีล น, นะศีลเนี่ยนะจะเกิดเพราะการสมาทานเป็นต้นนะตั้งใจนะเพราะว่าศีล น, นี่แหละจะเป็นสเสบียงทางเป็นเกาะเป็นที่พึ่งในไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะก็แนะนําให้เขาสมาทานศีล น, นะครับทีนี้ถ้าเขามีสมาทานศีลก็จะแสดงอนุ ป, ปุพพิกถาเลยนะครับว่าทานกับศีลเหล่านี้นี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะชาต์ทั้งหลายจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็เพราะผลแห่งทานแล้ว และศีลเหล่านี้นี่แห ล, ละนะครับแลคือถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลก็เป็นผลของทานของศีลนี่แหละนะครับแล้วก็จะบอกว่าเออ น, นี่นะที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยผลของบุญนะเนี่ยน ะ, ะถ้าเราทําบุญใหม่ก็เพื่อให้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ถามว่าจะมาเป็นมนุษย์อย่างนี้เอาอีกไหมนี่ขนาดเป็นมนุษย์นะยังป่วยยังมีทุกข์มีโทษแล้วค่อยๆกล่าวถึงวิปัสสนานะครับความเป็นเหตุเป็นไปของสังสารวัฏก่อนให้เขาเข้าใจนะครับ แล้วประกาศถึงศูญยตานะครับไปสอนถึงศูญญตาเลยนะครับว่างจากอัตตาเลยนะครับว่างจากอั ต, ตนิยะ <c oughs> แม้ก็ยากที่จะรับได้เหมือนกันนะครับแล้วสรุปคนพูดก็ท้อนะครับคนฟังก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะครับแล้วก็สอนอนัตตาและบุญพบหน้าก็ยังไม่มีเนี่ยก็ลําบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนั้นควรแนะนําให้เขาตั้งอยู่ในคุนของพระรัตนตรัยนะครับ อธิบายพุทธคุณแล้วก็ให้ตั้งใจสมาทานศีลถ้าแค่นั้นก็ให้พอพ้นอบายก่อนก็ยังดีแล้วนะครับส่วนเรื่องกรรมฐานทั้งหลายแล่เนี่ยนะครับถ้าคุณของพระตนะตรายเขาไม่เห็นศีลไม่ดีนะครับสมถะวิปั ส, สนาทั้งหลายพูดไปก็เหนื่อยเปล่านะครับโดยมากก็ยากนะครับที่เคยอ่านมาในเรื่องอาสานกรรมนี่ไหมครับครับที่พระเถระท่านเอา เออท่านเข้าไปหาคนแก่คนหนึ่งที่อาชีพนะปลาตลอดชีวิตห้าสิบปีไม่เคยทำบุญสักครั้งเดียวนะครับนายทวานชาวทมินนะครับเออใช่ฮะคนนั้นน่ะเนี่ยก็ไม่เคยทำบุญมาเลยไม่เคยสะสมอัริยสัยพวกนี้มาเลยนะครับแต่เนื่องจากว่ากรรมที่ทำก่อนตาตรงนั้นเนี่ยคือพระเทลรท่านไปให้อ่าระลึกถึงกุลของพระรัตนตรัยไหมครับให้ถึงแต่สระคมฮะ พระพุทธทางสลาณังก็ะฉามีเป็นต้นนี้นะก็ศีีก็ยังไม่ทันเลยก็ตายขนาดนั้นก็ก็ไปดีนะครับเนาะก็ไปสู่สุขตินะครับดีว่าแหมนี่นะถ้าลิ้นไม่แข็งก่อนนะถ้าได้สมาทานสีเนี่ยนะสูงกว่านี้อีกเหมือนกันนะครับคือขอให้ไปดีก่อนนะครับเมื่อเข้าไปดีแล้วเขาจะไปภาคเพียรพยายามเองแต่ชั้นต้นเลยให้เขาเห็นคุณของพระรัตน์ตรายก่อนครับสมถาวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะครับสําหรับผู้ไม่เห็นคุณพระรัตนะตรายนะเจริญไม่ตลอดสายนะครับ จเจริญระยะหนึ่งเช่นดูลมหายใจเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เข้าจเจริญไปมากหายใจเข้าหายใจออกหนั ก, นกๆเข้าเอ๊ะทาไปทําอะไรเนี่ยนะครับ <laughs> <laughs> ถ้าเป็นพระพิสูเราก็หันไปทําอย่างอื่นแทนแล้วนะครับไป <laughs> เลา้าบาตรเลา้เลากดทําอย่างอื่นลนะ <laughs> <laughs> ไม่ไม่ค่อยกําหนดไม่ค่อยเจริญอะไรแล้วก็ไม่เห็นคุณของพระธรนาฏอะไรนะสอนไปอะไรคือนิวรอะไรคืออะไรไม่รู้ซากอย่างทําไม่ทนนะครับหรือไม่ทนทอนะนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าไม่เห็นคุณเพราะฉะนั้น เบื้องต้นของการเข้าถึงศ า, าสนาก็คือคุณของพระตนะตรายแล้วก็เห็นค่าของศีลและในขณะเดียวกันนี่ก็กรรมสกกตาก็ต้องแม่นยำนะครับจึงรู้ว่าสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อวัตถุกนะครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันมันก็สือว่าคนคนที่ใกล้จะตายเนี่ยนะเขาคิดว่าเขาชงจะ จิตของเขาเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันมั น, มนว้าวเวมันไรที่พึ่งเขาเขาเขาคล้ายๆว่าต้องการอยากจะได้อะไรสักอย่างในอย่างหนึ่งนะมาเป็นที่พึ่งที่เขาใกล้จะไปณขณะนั้น น, น, นะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่พระเถระที่เป็นลูกชายนะครับที่เอาดอกบวัวมาไว้ในมือของโยมพ่อที่ใกล้าตายไหครั บ, รบที่ว่าไปเอาไปบูชาพระจุลามณีให้นึกบูชาพระธนตรยยัยกันใช่ไหมครับครับเออเขาก็ไปดีก็ไปดีฮะครับเออมันมันปัญหาส่วนที่สําคัญก็ตรงนี้ก่อนนะครับ ให้จิตเขาปราศจากนิวรณ์ให้ไม่วิตกกังวลอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะครับให้เขามั่นใจในกุศลเนี่ยนะที่อที่เขาถึงพระตนะตรายในกุศลศีลที่เขาตั้งใจเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ให้พิจารณา ถ, ถึงว่าเออบุญเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะแล้วก็ทบทวนดูนะอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทบทวนว่าเออนี่นะอดีตชาติที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเนื่องจากบุญเก่านะทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์ นะดีนะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่ได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยอาศัยบุญเก่าเนี่ยแต่อย่าประมาทในบุญอันนี้นะเพราะบุญเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติในภพต่อๆไปแต่ถ้าหากว่าเขาพอที่จะรับชั้นสูงได้ก็สอนเลยนะครับนี่บุญกรรมเนี่ยนะทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีตามีหูมีจมูกมีร่างกายเหล่านี้เนี่ยนะถามว่าร่างกายเนี่ยดีไหมเที่ยงไม่ล่ะนี่ผลของบุญนะ ผลของบุญก็ไม่เที่ยงเลยมันเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เจ็บป่วยแบบนี้พอมาตอนนี้มันก็เจ็บมาก็ป่วยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วนะมันไม่ได้มีความมั่นคงขาวนอะไรหรอกเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเป็นเทวดาเป็นอะไรต่อไปในพบต่อต่อไปเนี่ยนะมันก็ไม่ต่างกันหรอกถ้าชาติหน้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นโรคนี่แหละมีตาก็เป็นโรคตามีหูก็เป็นโรคหูมีจมูกมีลิ้นก็เป็นโรคจมูกโรคลิ้นมีผมก็เป็นโรค ผมนั่นแหละมีผิวหนังก็โรคผิวหนังนะครับมีคอก็โรคคอนะมีตราตัวก็เป็นโรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งมันก็กินทั่วไปหมดนั่นแหละครับมะเร็งที่ปอดที่ตับที่เต้านมมดลูกสารพัด ท, ที่มันจะเกิดนะนะยังไม่พอมันดีไม่ดีก็โรคเอดโรคอย่างอื่นก็ติดตามมาเป็นทัวรนิกนี่แหละมันเป็นรังของโรคเนี่ยนะถ้าได้ร่างกายอันพบใหม่เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็ก็เอาโรคอันใหม่มาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้ควรพิจารณาเห็นทุกเห็นโทษนะของสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีสาระหรอกทัา น, นให้น้อมใจเพื่อไม่มีความผูกพันยึดมั่นกับสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันไม่เที่ยงนะแต่ว่าที่มันเกิดมันก็เกิดด้วยปจยัจจัยมีบุญมีกุศลเป็นต้นอะเป็นเหตุให้เกิดนะครับท่านเมื่อพิจารณาอย่างนี้มากๆเข้าก็ให้เบื่อนายนะ มันน่าเบื่อนายหนะ้าร่างกายเหล่านีนะ้ถ้าเขามีบุญวาสนาเขาก็ถอนอุปาทานในร่างกายอันนั้นได้ก็ เ, เป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์ได้นะครับร น, นั่นแหละครับ <c oughs> ก็ฝึก <c oughs> เอานะครับต่อไปค่อยๆเรียนรู้ไปั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือให้จิตเขาเป็นกุศลนะครับถ้าหาว่ากุศลชั้นสูงไม่ได้อย่างน้อยมีพระตนะตรายเป็นที่ไปก็ยังดีให้จิตเป็นไปกับกุศลก่อนนะครับ น, นัเพราะฉะนั้นจิตก่อนตายนี่สําคัญที่สุดนะครับแล้วฐานะของเราทั้งหลายเนี่ยนะครับอยู่ในเพศสมณะเนี่ยเขาก็จะนิมนต์ไปในในสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าไปตอกย้ําในความชั่วที่เขาเคยมีเลยถึงรู้ว่าเขามีความชั่วอะไรก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากไปชักชวนเขาไปตกนรกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการกําลังใจมากนะครับเขาต้องการกําลังใจคืออะไรครับอะไรเป็นกําลังใจบ้าง กำลังใจมีเท่าไหร่ศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นควรไปส่งเสริมให้เขามีศรัทธาควรส่งเสริมให้มีวิริยะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาควรส่งเสริมอันนั้นนะครับเพราะว่าไอ้ทุกโทษทั้งหลายแลเนี่ยนะถ้าเขามีปัญญาเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกไม่ต้องไปตอกย้ําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจอะไรหรอกครับก็สังเกตดูที่ภาษาริบุตรไปแสดงกับนายโค ข, ขาดนายโจรขาวแดงนะครับเพชฌฆาตขาวแดงอ่ะนะ ก็ไม่ได้ไปตอกย้ํานี่นะโยมเนี่ยทาบาปมา50กว่าปีนะเนี่ยข่ามาขนาดนี้แล้วนะยังไงไปตอกย้ำเหมือนกันตกนรกแง่าเลยนะครับเพราะงั้นเขาก็บาปเพียงพอแล้วนะครับก็เลี่ยงๆหน่อยทํำยังไงให้เขากุศลจิตเกิดอย่างน้อยก็สุขติก็ยังดีนะครับ